มารตัวที่สองเนี่ยลำบากขันธ์ามนทันยังไงลนะ่ะขันธ์ธามันขันมีอะไรบ้างขันมีกี่อย่างมีส่วนประกอบอยู่5อย่างมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีห้าอย่างวมนคือชีวิตเรานี่แหละเราเกิดมาก็มีมีรูปกับมีนามฝ่ายนามก็แบ่งเป็นอีกสี่ถ้าไอ้นี่มันเป็นขันเป็นขันทั้งห้าเนี่เป็นมารซะแล้วเนี่ยเราจะหลบยังไง เราจะชนะมารตัวนี้ได้ยังไงฆ่าตัวตายเหรอพ้นไหมไม่พ้นเพราะฆ่าตัวตายนะฆ่าได้แต่รูปแต่น้านี่ยังมีอยู่นะน้าเกิดดับเกิดดับก็จริงนะแต่มันเกิดแล้วดับแล้วก็เกิดมันไม่ได้ดับไปตามร่างกายถ้าฝ่ายน้าเนี่ยมันยังโง่อยู่นนนะมันก็จะไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ไปสร้างรูปใหม่ได้เหมือนเอาเม็ดมะม่วง ไปเพาะที่ไหนก็จะเกิดเป็นต้นมะม่วงนามตัวนี้ที่ยังโง่อยู่ก็จะเพาะเาะมเล็ดพันธ์แห่งความโง่ต่อไปสร้างรูปมาสนองความโง่นั้นต่อไปน่ากลัวมไหมถ้าเราไปฆ่าตัวตายตอนคิดจะฆ่าตัวตายก็เพิ่มความโง่เข้าไปอีกใหญ่ๆเลยไม่ใช่โง่ธรรมดาโง่ใหญ่ๆเลยด <c oughs> ั ง, ง, งนั้นคนที่ตายด้วยความโง่จะโง่และเศร้า ก่อนจะตายได้นะต้องท้อถอยหดหูอย่างมากจึงจะตายก็สะสมความหดหู่ความเศร้าหมองและพอตัดสินใจว่าจะฆ่าตัวตายเพิ่มความโง่ไปอีกตัวโง่ที่มีมากๆอยู่แล้วนะก็ทับความโง่ไปอีกหน่อยหนึ่งโง่เคยโง่อยู่เม็ดหนึ่งก็กลายเป็นเมตรครึ่งเพิ่มไปเยอะๆเลยกลายเป็นที่เขาเรียกว่าโง่ดักดาน น่าสงสารนะจริงๆเขาคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะพ้นจากความทุกข์อันนั้นได้และพอตายจริงเนี่ยมันจะจมอยู่ความทุกข์อันนั้นยาวนานนั้นเวลาผิดหวังในชีวิตอย่าไปคิดสั้นนะเพราะถ้าคิดสั้นแล้วทุกข์ยาวทุกข์ยาวแล้วตอนเป็นผีเนี่ยนะตอนเป็นคนเนี่ยอายุไม่เกินร้อยปีแต่ตอนเป็นผีนี่ยาวอายุยาวนานเพราะว่ากายทิพย์กายทิพย์นี่อยู่ยาว ไม่มีไวรัสอีโบลามาคอยทําให้ตายด้วยสิ่งที่ท่านอธิบายในเรื่องของขันธบาลเนี่ยเวลาท่านอธิบายท่านก็อธิบายในแง่ที่ว่าขันนี้เวลาปกติอยู่ของมันเนี่ยมันก็มีภาวะที่ขัดแยง้งแต่เวลาอธิบายกลายเป็นอธิบายแต่เรื่องกายกายเนี่ยจะมีภาวะความขัดแย้งอยู่เสมอกายนี่จะอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งทีไรเนี่ยนะ มันอยู่นิ่งไม่ได้จริงชีวิตเนี่ยจะมีการหมุนเวียนเกิดดับของร่างกายอยู่เสมอและมีความพล่องความไม่พอดีเกิดขึ้นอยู่เสมอกลายเป็นความเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเซลล์ต่างๆก็ผัดเปลี่ยนร่างกายของเราตอนนี้นะไม่เหมือนกับตอนที่แรกเกิดเซลล์ที่แข็งแรงที่สุดคือกระดูกกระดูกนี่ก็มีอายุอยู่แค่9ปีตอนนี้เรากี่รอบแล้ว 9ปีมากี่รอบแล้วเราเปลี่ยนมาเยอะแยะไปหมดแล้วนะอากาศก็ถ่ายเทออกซิเจนหายใจเข้าไปก็ถ่ายเทเลือดก็ถ่ายเทผมผมนี่ไม่ใช่เส้นเดิมเมื่อตอนแรกเกิดละเซลล์ต่างๆในผมนี่ก็ไม่เหมือนเดิมละผิวหนังเราอาบน้ําถูขี้ครแต่ละทีเนี่ยนะก็เอาหนังได้ออกไปหนังกำพร้าได้ออกไปหนังนี่ก็ไม่ใช่หนังเดิม บางคนบางคนยังเข้าใจว่าเป็นตัวเราเป็นเป็นตัวเราเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วถ้าในในแง่รูปธรรมเองไม่มีเซลล์เดิมเลยไม่มีเซลล์เดิมอยู่เลยหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกอิริยาบถต่างๆก็ต้องคอยเปลี่ยนแต่เลวลาท่านอธิบายจะลงในแง่ของรูปในแง่ของนามขันธมาเนี่ยเป็นส่วนที่ พวกเรายังเห็นไม่ชัดแจ้งเรายังรู้สึกว่าขันนี้เหมือนเป็นที่ให้ความสุขขันเนี่ยมันเหมือนเหมือนเป็นที่ให้ความสุขที่เรายังอยากเกิดอยู่อยากเป็นเทวดาเพราะว่าอยากได้ขันที่ดีกว่านี้อยากได้ขันที่ดีกว่านี้อยากได้กายทพิปเพื่อไปเสพอาหารทพิปไปดูสวนทพิ์ไปดูวิมานทพิป คืออยากอยู่ในที่สบายอยากเห็นอะไรสวยงามอยากกินอะไรอร่อยอ่อยกว่านี้ยังไม่เห็นว่าขันนี้เป็นมานขัดขวางอะไรขันทั้งห้าเนี่ยนะยังไม่ไม่เห็นเป็นมานขัดขวางอะไรคนที่จะเห็นเป็นมานขัดขวางจริ ง, รง <Youtuber. S 1> ๆเนี่ยก็ต้องระดับพระอรหันตะ์เห็นขะันเะนี iyoruz, ่ยเป็นมานขัดขวางพวกเราทั้งหลายจะเห็นแค่ตัวรูปขันที่เป็นมานขัดขวางมีความเจ็บป่วยทาให้ภาวนาไม่ดียิงภาวนา ตอนเจ็บป่วยเนี่ยดีเพราะตอนไม่ป่วยเนี่ยจะเหลิงตอนไม่สบายจะเป็นเครื่องเตือนได้ว่าชีวิตของเราจะอยู่อีกไม่นานนะหรือว่าชีวิตของเราเป็นทุกข์จริงๆนะกายนี้เป็นทุกข์เป็นเครื่องเตือนจริงๆกายเป็นว่าถ้ามันป่วยขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเป็นมารถ้ามองในแง่มุมของนักภาวนาจะเห็นว่ามันเป็นมิตรที่ดีมาคอยเตือนให้เราไม่ประมาท เวลาเรามีความทุกข์ทางใจจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วโลกนี้ไม่ใช่น่าอภิรมที่จะต้องมาเกิดแล้ว ม, มีทุกข์อย่างนี้อีกบ่อยๆเวลาเราเจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเรจะรู้สึกว่าร่างกายนี้จริ ง, รงๆแล้วไม่คงทนถ้าเห็นว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจขันธมานันนี้กลายเป็นขันธมิตรถ้าดูดูให้ดีนะคนที่เจ็บป่วยจะรู้สึกว่า ชีวิตของเราจะเหลือน้อยคนที่แก่จะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเหลือน้อยคนที่เห็นว่าชีวิตเหลือน้อยแล้วเขาเคยฟังธรรมะมาเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นความความน่ากลัวอันตรายแห่งชีวิตชีวิตจะเหลือน้อยเขาจะเร่งภาวนาด้วยความไม่ประมาทคนที่ทำงานแล้วมีเวลาน้อยเห็นว่าตัวเองมีเวลาในการภาวนาน้อยเขาจะใช้เวลาที่ มีอยู่ที่เป็นเวลาว่างแม้นิดหน่อยให้มีค่าส่วนคนที่ลันลาลันลาเนี่ยจะไม่เห็นว่าชีวิตนี้จะเอามาทำประโยชน์อะไรประโยชน์ของเขาก็คือว่าทำยังไงที่จะชั้นจะมีมีอะไรมาดูบ่อยๆมีอะไรมาฟังบ่อยๆมีอะไรมากินบ่อยๆเสพสุขไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดว่าฉันจะต้องมาพัฒนาในเรื่องจิตใจอะไรแต่คนที่เห็นว่าจะต้องพัฒนาจิตใจแล้ว ปรากฏว่าเวลามีน้อยเขาจะกลายเป็นว่าเวลาที่ว่างแม้นิดหน่อยจะจะเอามาภาวนาได้ทันทีเหมือนอย่างในหลวงในหลวงงานเยอะในหลวงงานเยอะท่านก็ภาวนาเก่งท่านเอาเวลาจากไหนเอาเวลาที่ว่านั่งรถบ้างนั่งเครื่องบินบ้างเวลาว่างนิดนดหน่อยห้านาทีท่านก็ภาวนาได้แต่เราห้านาทีเนี่ยจะทําอะไรเผลอลอยห้านาทีก็จะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ คิดว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะไปทาอะไรลืมคิดว่าไอ้หนาทีตรงนี้จะเอามาเป็นประโยชน์ได้แค่ไหนลืมคิดไป